เพราะเขาเห็นพระ ก, กรุณาที่คุณกับพระบัญดาคุณงูเบือยาวนี่ไม่เห็นนั่นไม่เห็นโทษกันทั้งคู่เลยนั้นจริงไหมไม่เห็นทั้งคู่เลยอ่ะใช่ไหมจริงไหมอันนี้พึกพูดยกตัวอย่างให้ดูเพราะว่าถ้าเห็นคุณงูเบือยาวเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอากายวันนาวิจิวันรรนามโนวันนาต้องชัดโดยเฉพาะมโนวันธน า, นาเนาะทุกอย่างเป็นไปเพื่อการนอบน้อมเบือยาว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 แล้วก็เอาเข้าอีกหน้ามองโพธจา้าแล้วก็ปนมมื อ, อใครมาเห็นอรุมานี่ <S <S ใช่ไหมอรมาปนมมือนะแล้วก็าติดไปตามมาทมบัพสอนทำทุกอย่างเท่าที่อรตมาจะเรียกสัทธาได้ลันก็ทำาันมาณนี้ดูสิทำไมอัตมาต้องมาฟังฟังขนาดนะั้น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 มันตัวจสองสองหลักได้ตัวศรัทธาพราตรงกลางก็จะตามมายอยู่แล้วอย่าเพิ่งไปจัดสรรตอนนี้ว่าศรัทธามากปัญญาน้อตวิทยามากซะมันอย่าเพิ่งไปจัดเพราะมันยังไม่ขึ้นสักตัวเลยอ่ะเข้าใจยังมันยังไม่ขึ้นสักตัวเลยเนะี่ยที่ไม่รู้ตัวกันอยู่แล้วก็เที่ยวมาเที่ยวจัดว่าศรัทธามากวิริยามากสมาธิมากสติให้มีกําลังอะไรอยู่เนี่ยมันอ่อนทุกตัวแล้วยบเยียบหมดแล้ว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 พราะโอกาสนี้มันไม่มีอีกแล้วชาติต่อไปอย่าอย่าหมายอย่าหมายถ้าชาตินี้ไม่ได้แล้วชาติต่อไปอย่าหมายนั้นเอาเอาชาตินี้ให้ได้ก่อนจับหลักให้ได้ก่อนได้สาให้มา ก, ก่อนได้วิริยะสติสมาธิปัญญาในพระพุทธเจ้าให้มากอะไรที่จะไปเกื้อกูล ทานเกืือกูนเอาทานศีลเกืือกูลเอาศีลเนขเคขม้าเกืือกูนเอาเนคขม้าเนาะผูกรัดเขาว่าปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานนะเมตตาวิา่ครับะดมผูกบา ร, รมีเหล่านี้ไว้ในตนแล้วเดินไปเถอะเดินไปมันจะฝ่าฟันอะไรได้หมดใช่ไหมถ้าต้องการจะเป็นโพธิญาณที่สูงสูงก็ผูกสัตว์ด้วยอย่าผูกเฉพาะบา ร, รมี ใช่แต่ที่สุดจริงๆจะระดับไหนก็ต้องผูกก็คือผูกสัตว์คือผูกกัญญาณมิตรหาผูกกัญญาณมิตรไว้ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่มีกัญยาณมิตรแวดล้อมนี่วิบัติมันคิดเองยากสัตว์โลกเนี่คิดเองยากแล้วคนที่จะสอนเราจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีแล้วใช่ไหม